58. ประชาธิปไตยที่แท้ต้องปลดแอกให้แก่มนุษย์ซึ่งสังคมที่เป็นสารานิยธรรมดังกล่าวนี้ในยุคพระพุทธเจ้าสามารถทำได้แล้วแต่ทำได้กับคนที่เป็นสังคมพุทธศาสนาเท่านั้นยิ่งถึงขั้นสาธารณะโพคีแล้ว ในยุคพระพุทธเจ้าแท้ๆยังทําได้แค่ในหมู่มวลชนที่เป็นภิกษุเท่านั้นด้วยเพราะมนุษย์ยังไม่เจริญถึงยุคศีวิไลเพียงพอเหมือนอย่างที่ถือกันว่าเจริญศีวิไลเช่นยุคนี้ยุคนนั้นยังเป็นยุคของคนที่ยังไม่พ้นสมบุรณาญาสิทธิราชและเป็นยุคทาตทั้งโลก คนยังไม่รู้เรื่องสิทธิมนุษยชนข้อนี้สําคัญยิ่งคนทั้งหลายยังไม่รู้จักว่ามนุษนั้นมีสิทธิในความเป็นมนุษย์แม้สิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นมนุษย์ของโลกอันมีอิสระเสรีภาพในยุคพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้านี้แหละที่ปลดแอกความเป็นมนุษย์ ให้อิสระเสรีภาพแก่ทาสและแก่ผู้ยังตกอยู่ใต้อำนาจวันนะนี้เป็นรูปธรรมที่มหัศจรรย์ยิ่งแล้วในยุคพระองค์ประชาชนคนพึงมีอธิปไตยได้วิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือผู้ปลดแอกได้ด้วยทฤษฎีวิเศษสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้า จึงจะเป็นประชาชนคนผู้มีอธิปไตยจริงยิ่งในโลกในสังคมกล่าวคือเป็นผู้หลุดพ้นจากแอกของโลกีพ้นอำนาจโลกได้แก่ลาบยศสรรเสริญสู่โลกีทั้งหลายและที่สำคัญสุดๆเป็นประธานแห่งความหลุดพ้นจากแอกที่ยิ่งใหญ่ก็คือ พ้นอํานาจอาตมาหรืออาตตาได้แก่ตนเองที่เป็นพลังงานในตนในความเป็นจิตอิญญา น, นิแหละที่คนไม่ใช่จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันได้ง่าย